เป็นวันพระรหัสที่หทธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่เราจะมาลํำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุคคลสองคน คือบิดาและมารดาของพวกเราทุกคนผู้มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีพระคุณกับลูกๆได้เท่ากับบิดามารดา พิดามารดาเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกๆโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากลูกๆเลยอยากให้ลูกๆอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสุขสบายจึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกๆ ผู้ที่เป็นลูกจึงควรสำนึกในบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้เพราะการขาดความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาเรียกว่าเป็นความอากตันอยู่ซึ่งไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนดีคนดีจะดีได้ ต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีคือมีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณและพยายามตอบแทนบุญคุณต่อท่านทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ดังนั้นการที่เราจะทำให้เราไม่เป็นคนอกตัญญู เราต้องพยายามลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่คอยลำลึกเราก็อาจจะลืมไปได้และอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนอกตัญญูไปได้โดยที่เราไม่มีเจตนา ที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะในชีวิตของเราเราก็ต้องมีภาระหน้าที่กต่างๆเลี้ยงดูปากท้องของเราเองและครอบครัวของเราวันๆนหนึ่งเราก็มัวแต่ยุ่งกับการหาเงินหาทองหาความสุขให้กับตัวเองและกับครอบครัว ก็อาจจะทำให้เราลืมคิดถึงบิดามารดาไปได้ดังนั้นจึงมีธรรมเนียมของชาวพุทธเราให้เราลํำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอย่างน้อยวันหนึ่งก็สองครั้งคือก่อนนอน <c oughs> และหลังจากที่ตื่นมาแล้วก่อนนอน หลังจากกราบ พ, าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ให้กราบบิดามารดาการกราบนี้ไม่ได้กราบเพียงแต่เป็นกิริยาคือกราบทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ให้กราบทางจิตใจด้วยคือให้ลำเลิกถึงพระคุณของบุคคลเหล่านี้กราบพระ พุทธเจ้าเราก็สวดพุทธคุณอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภรกวาพุทธังพระกวันณตังอภิวาเทมิให้เรารัเลิกถึงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เป็นพาาระอาลาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรุปธรรม ผู้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราทำเวลาที่เรากราบพระพระพุทธพระธรรมกลัลลึกถึงพระพธรรมคุณสวากขาโตพระกะวตตาธรรมโมธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ถูกตั้งตามหลักความจริงทุกประการสุปฏิปันโนนะ พระอาริยสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เป็นบุคคลที่เราควรจะยึดถือเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราและกราบบิดากราบมารดาลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาที่ให้ชีวิตเราร่างกายของเรานี้ เป็นของขวัญจากบิดามารดาแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเสียสละของบิดามารดาเลี้ยงดูเราอย่างดีจนเราเจริญเติบโ ต, ตจนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองนี่เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุคคล ที่มีพระคุณกับเราและถ้าเรากราบอย่างนี้ทุกคืนก่อนนอนและตอนเช้าหลังจากตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ไม่ลืมนี่คืออุบายของนักปราชญ์ที่สอนให้เราไม่ให้ลืมพระคุณของบุคคลสําคัญและเพื่อที่เราจะได้ทําหน้าที่ คือความกะตันยูกระตะเวทีต่อบุคคลเหล่านี้เพราะการกะระทาการะกะตันยูกะตะเวทีนี้เป็นการปฏิบัติบูบชานั่นเองเป็นวิธีบูชาอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้เราบูชาบุคคล ที่สมควรต่อการบูชาสองวิธีด้วยกันวิธีแรกเรียกว่าอามิสบูชาวิธีที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาวิธีที่สองนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ปฏิบัติที่บูชาอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มร้อยอามิสบูชานนี้ ยังเป็นเพียงบางเป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสแสดงให้เห็นถึงเจตนารมของเราว่าเรามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแต่ถ้าได้บูชาแบบปฏิบัติบูบชาเราก็จะได้รับประโยชน์ อันสูงสุดจากการปฏิบัติบูชาเพราะบุคคลเหล่านี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดานี้ไม่มีความต้องการอะไรจากเราท่านเลี้ยงตัวของท่านเองมาได้ท่านก็พึ่งตนเองไปได้จนถึงวันตายของท่านถึงแม้เราไม่เลี้ยงท่านไม่ตอบแทนบุญคุณท่านท่านก็พอ อยู่ของท่านไปได้สิ่งที่ท่านต้องการจากพวกเรานน้นคือความสุขของพวกเราเท่านั้นการที่ท่านได้เห็นเรามีความสุขมีความเจริญมีความแขวงแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆนี้ก็จะทำให้ท่านมีความสุขแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะ ทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณของบิดามันดาและของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ควรกระทำการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้ขั้นต้นก็ทำด้วยอาบิสบูชาคือบูชาด้วยข้าวของเงินทองต่างๆและเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทุกเทียน ดูแ เ, เวลาที่ท่านขาดแคลนขาดตกบกพร่องสิ่งใดเราก็ถ้ามีความสามารถที่จะหามาได้ก็ควรที่จะหามาเพื่อให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนไม่ทุกข์ยากลำบาก อันนี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยอมิตรบูชาคือด้วยวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็บูชาท่านด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเพราะปิดามันดาและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีความปรารถนาให้พวกเรา อยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงท่านก็จะสอนวิธีอยู่ให้กับพวกเราบิดามารดาท่านก็มีความสามารถในระดับของท่านคือสอนให้เราเป็นคนดีตามที่ท่านได้เป็นคนดีท่านเป็นคนอย่างไร ท่านก็นจะสอนให้เราเป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะได้ความดีที่เหนือกว่าคำสั่งคําสอนของบิดามารดาเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบิดามารดาเพราะบิดามารดายังเป็นปุถุชนไม่เหมือนกับพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นพระอริยบุคคลปุถุชนนี้เป็นบุคคลที่ยังติดอยู่ใน โลกของการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่ในสังสารวัตรอยู่ในไต้ภพยังต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้ไปถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานเป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่ไม่มีไตพบไม่มีสังสารวัฏผู้ใดได้ไปถึงพระนิพพานผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากกองทุกทั้งปวง สังสารวัตนนี้เป็นที่ตั้งของกองทุกข์ต่างๆเพราะไม่ว่าจะเกิดในภพใดภูมิใดก็จะต้องพบกับความเสื่อมความสิ้นสุดลงคือความตายของแต่ละภพแต่ละภูมิเวลาต้องพบกับความตายความสิ้นสุดก็จะเกิดความทุกข์กันขึ้นมาแต่ถ้า ไม่ได้เกิดในตายพบแล้วก็จะไม่มีการตายตามมาความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ได้หลุดพ้นออกจากวัตสงสารออกจากตายพบไปแล้วดังนั้นถ้าพวกเราปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้อง บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏบิบัติบูชาด้วยการอาบิษฐบูชาตามกำลังของเราเบื้องต้นก็อาจจะทำได้เพียงอาบิษฐบูชาก็ทำไปก่อนมีข้าวของเงินทองอะไรก็ไปทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไปทำบุญที่วัดเพื่อไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปนานๆให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกของผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีที่พึ่งทางจิตใจพอ ถ้าเรามีกำลังที่จะปฏิบัติบูบชาได้เราก็ไปปฏิบัติบูบชาเป็นขั้นต่อไปเพราะขั้นอามิสบูชานี้เป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นปฏิบัติบูบชานั้นเองขา้นอามิสบูชาเพียงแต่เรามีข้าวของเงินทองที่พอที่จะแบ่งปันพอที่จะเสียสละ ได้เราก็สามารถทําอามิสบูชาได้เช่นทาบุญใส่บาตรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอมิสบูชาอย่างหนึง่งถวายสังฆทานถวายโบสถ์ถวายเจดีย์ถวายกุฏิถวายวัดถวายที่ดินสร้างวัดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชา บูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการสนับสนุนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับโลกนี้ไปนานๆนะต่อไปหลังจากที่เราได้ศึกษาและได้ลองปฏิบัติก็จะเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่านำความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติบูบชาเราก็เริ่มปฏิบัติบูชากันด้วยการรักษาศีลศีลของผู้ปฏิบัติคือศีลแปดแล้วก็หัดปฏิบัติธรรมกัน ทมที่ปฏิบัติก็คือจิตตภาวนาการทำจิตใจให้สงบและการทำจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญาเพราะจะเป็นการชำระจิตใจชำระสิ่งที่มาหุ้มหอ่อจิตใจทาให้จิตใจมองไม่เห็นความจริงทำให้จิตใจเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นสุขถ้าได้มีการชำระด้วยปัญญาก็จะทำให้เห็นตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิด การจะยุติวิการเวียนว่าตายเกิดก็ต้องยุติเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความหลงความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองคือราบยศสนเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ ผู้ที่ไม่ฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาจะเห็นว่าเป็นความสุขเห็นว่าการได้ราบยศสนเสริญการได้รูปเสียงกลิ่นรสผลถภานีเป็นสุขซึ่งก็เป็นความเห็นที่ถูกครึ่งหนึ่งเห็นด้านเดียวเห็นด้านบวกคือเห็นตอนที่ได้เวลาได้ราบยศสนเสริญ ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งคือด้านเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่สูญเสียหรือเวลาที่ขาดไม่สามารถมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรส มาให้ความสุขได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ถ้ามาปฏิบัติจิตตภาวานาเริ่มต้นด้วยที่สมถ ภ, ภาวานาคือทำจิตใจให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาภาวานาเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นความเป็นจริงว่า สิ่งต่างๆที่จิตหลงคิดว่าเป็นสุขนั้นความจริงมันเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นสุขด้วยแต่มันก็มีความทุกข์ด้วยและมันเป็นความทุกข์ที่ตามมาในภายหลังเวลาที่ได้ก็จะสุขแต่พอเวลาสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือวิธีการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา ต, ต, ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในความสงบด้วยศีลแล้วก็สำรวมใจให้สงบด้วยสมาธิแล้วก็นับดับเหตุที่พาให้ จิตไม่สงบด้วยปัญญานี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติบูบชาที่จะนำมาถึงผลอันยิ่งใหญ่ผลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถมาเปรียบเทียบได้คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง รสแห่งธรรมทชนะรสทั้งปวงคืออะไรคือรสของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนี่คือผลที่จะปรากฏสำหรับผู้ที่มีการปฏิบัติบูบชาบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ์ุณ เป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้ชาวพุทธเราทุกคนบูชากันเพราะจะเป็นวิธีที่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไปพร้อมๆกันเพราะผู้ที่ได้ปฏิบัติจนได้บรรลุถึง การหลุดพ้นถึงวิมุตติแล้วก็จะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปได้นั่นเองเป็นผู้ที่จะมาสั่งมาสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีของการหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆว่าต้องทําอย่างไรผู้ที่หลุดพ้นวิมุตตินี้ก็คือ พระอริยสงสาวกทั้งหลายนี้เองตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพาาระอรหันต่านเหล่านี้เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆพระโสดาบันก็บรรลุดพ้นความทุกข์ในระดับแรกพระสกิฎาคามี ก็ระดับที่สองพระอนาคามีก็ระดับที่สาและพะระอรหันต์ก็ระดับที่สคือความทุกข์นี้มีอยู่หลายระดับด้วยกันการปฏิบัติก็ต้องดับมันไปเป็นขั้นๆเป็นเหมือนไฟที่มีสวิตไฟหลายอัน ไฟดวงหนึ่งก็มีสวิตไฟอยู่ดวงอยู่หนึ่งอันเวลาจะดับไฟก็ต้องไปปิดสวิตไฟของไฟดวงนั้นก็มีอยู่สี่สวิตด้วยกันก็ต้องเดินไปปิดทีละสวิตอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้มันก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันที่เราจะใช้ การปฏิบัติบูชานีนมาดับมันที่ละทีละขั้นที่ละตอนจนสามารถดับได้หมดแล้วก็จะเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็สามารถเป็นผู้ที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมะ <c oughs> ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง น, ะนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติบูบชาในพระพุทธศาสนามีประโยชน์สองส่วนประโยชน์แรกก็คือผู้ที่ปฏิบัติบูบชาจะได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วพอหลุดพ้นแล้วก็มาทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกต่อไปอีกระยะหนึ่งไม่มีใครจะรักษ า, าพระพุทธศาสนาได้นอกจากพระอริยสงสาวกเพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็ต้องมีพระอริยสงสาวก เป็นผู้มาบอกทางมาสั่งมาสอนผู้ที่ไม่รู้วิธีดับทุกข์ต่างๆว่าจะต้องดับทุกข์อย่างไรนั่นเองพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องอาศัยมีพระอริยบุคคลเป็นผู้มาสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาโดยไม่มีใครสั่งสอน ก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความฉลาดพอที่จะแยกแยะหรือเข้าใจคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกได้อ่านไปแล้วศึกษาไปแล้วก็อาจจะแปลความหมายผิดไปได้ก็จะทำให้ยากต่อการที่จะบรรลุผล ของการปฏิบัติแต่ถ้ามีผู้ที่ได้ปฏิบัติดุดพ้นแล้วมาเป็นผู้อธิบายมาเป็นผู้สั่งผู้สอนการศึกษาก็จะง่ายได้และจะไม่หลงทางจะไม่เสียเวลาจะทำให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว นี่คือความแตกต่างระหว่างการศึกษาจากพระไตรปิฎกและการศึกษาจากพระอริยสงสารวกดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะบูชาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์พระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่ไปนานๆอยู่กับโลกไปนานๆให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปนานๆเราก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติบูชานี้ไม่ใช่ด้วยการด้วยอามิสบูชาคือการสร้างวัดวาอารามต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปต่างๆการกระทําเหล่านี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชา แต่โบสถ์จะดีพระพุทธโลกหรือวัดวานีไม่มีความสามารถในการสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติเท่านั้นคือเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัติ แต่บทก็ดีเจดีก็ดีพระพุทธรูปก็ดีกุติวิหารอะไรต่างๆก็ดีไม่มีความสามารถที่จะให้ธรรมะต่อผู้ปฏิบัติได้ถ้ามีแต่อามิสบูชาไม่มีปฏิบัติบูบชาก็เป็นเหมือนผลไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อ เวลาเรารับประทานผลม้เราไม่รับประทานที่เปลือกเรารับประทานที่เนื้อแขนใดเนื้อเนื้อของาศาสนาก็อยู่ที่การปฏิบัติบูชาไม่ได้อยู่ที่อเมรสบูชาคือการสร้างวัดวาอารามต่างๆการสร้างวัดว า, ารามก็จำเป็นแต่ต้องมีผู้ ปฏิบัติและมีผู้สอนผู้ปฏิบัติถึงจะมีเนื้อของศาสนาถ้าสร้างวัดเฉยๆแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติวัดก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาเพราะตัววัดคือตัวฐาแวรวัตถุต่างๆนี้ ไม่สามารถบอกผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนั่นเองดังนั้นจึงต้องมีการบูชาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปบูชาด้วยอมิสบูชาเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้ที่จะปฏิบัติบูบชา ถ้ามีผู้ปฏิบัติแต่ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติก็ทำให้ยากต่อการปฏิบัตินั่นเอง <c oughs> การปฏิบัตินี้จะเป็นที่จะต้องมีที่ที่สงบสงัดวิเวกที่ที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆคือต้องอยู่นอกวง โครงการของราบยศศรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองถ้ายัางปฏิบัติอยู่ในแวดล้อมของราบยศศรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะปฏิบัติได้ยากเพราะเวลาที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสได้สัมผัสกับราบยศศรเสริญ มันก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติบูบชาได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปตตัญญาได้นั่นเองจึงต้องมีสถานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติคือมีที่ที่ไม่มีอะไรมาลบกวนจิตใจคือมีวัดนั่นเอง เป็นวัดที่มีการศึกษาและการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นวัดที่มีแต่พิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาพิธีกรรมนี้ถือว่าเป็นอามิสบูชา เวลาทําบุญกันก็มีพิธีกรรมต่างๆถวายสังฆทานก็มีการทําพิธีกล่าวคําถวายมีการถวายของมีการสวดอนุโมทนาญาถาสัพเพเหล่านี้เรียกว่าเป็นพิธีกรรมยังไม่ถือว่าเป็นปฏิบัติบูบชาเป็นอาเมสบูชาการจะปฏิบัติบูชานี้ ต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่จะมีครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนธรรมะขั้นต่างๆวิธีรักษาศีลแปดวิธีนั่งสมาธิวิธีเจริญปัญญาแล้วก็มีสถานที่ที่ให้ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเนี่ย พอสอนแล้วก็นำออกไปปฏิบัติไปปฏิบัติได้ทันทีเลยจะไม่มีเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่างๆเป็นการปฏิบัติล้วนๆนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเรามีความรักมีความห่วงแหน แต่เราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาเราต้องรักษาด้วยการปฏิบัติบูชาถ้าเราไปรักษาด้วยการไปอคอยสร้างหรือคอยไปซ่อมบําบรุงถานบาวัตถุต่างๆอันนี้จะเป็นการรักษาเปลือกของพระพุทธศาสนา ไม่ได้รักษาเนื้อของพระพุทธศาสนาสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนั้นมีแต่เนื้อไม่มีเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ในป่าวัดของพระพุทธเจ้าก็คือป่าเขาลำไทรลำเหนาพลายนี่เองคือสถานที่สงบสงัดวิเวกอ่างไกาจากแสงสีเสียงต่างๆนั่นนะคือ วัดของพระพุทธเจ้าคือที่สงบสงัดวิเวกเวลาที่ทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงในที่สงบสงัดวิเวกครั้งการแสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงให้กับพระปัญจวาคัคคีในป่าอิสิปัตนะเป็นที่สงบของผู้ที่แสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง วัดสมัยก่อนจึงไม่มีอะไรไม่มีทาวอลวัตถุต่างๆเหมือนสมัยนี้พวกเราที่ไม่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาก็า จ, จะหลงคิดว่าศาสนาอยู่ที่วัดวาอารามอยู่ที่ทาวอลวัตถุต่างๆเช่นพระพุทธรูปต่างๆพระเจดีย์บรรจุพระธาตุต่างๆ ซึ่งความจริงแล้วไม่มีถาวน์ลวัตถุ ก, ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการหลุดพ้นนะจากความทุกข์ที่เป็นตัวาศาสนาที่แท้จริงนะสมัยพระบุตธการนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงประกาศพระธรรมคำสอนในยุคแรกๆจะไม่มีวัดนะ ไม่มีวัดนั้นวัดนี้ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีพระพุทธรูปเหมือนอย่างที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่ท่านมีที่ทำให้มีพระพุทธศาสนาก็คือมีการศึกษาพระธรรมคาสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นองค์แรกของพระพุทธศาสนาอาจารย์องค์แรกของพระพุทธศาสนาเป็นอาจารย์ใหญ่และสอนอยู่ถึง45ปีด้วยกันนับตั้งแต่วันที่หลังจากที่ได้ตัดชลูสองเดือนก็เริ่มสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะนำเอาไปปฏิบัติสั่งสอนอยู่ทุกวันวันละสามสี่ครั้งด้วยกัน ตอนบ่ายก็สอนให้ศรัท ธ, ธายาตโยมตอนค่าก็สอนให้พระภิกษุภิกษุณีสา ม, มนเณรตอนดึกก็สั่งสอนพวกเทวดานี่คือหน้าหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่คือพระพุทธเจ้าส่ง ส, สั่งสอนธรรมะแล้วก็มีผู้มาศึกษาธรรมะกันเป็นจํานวนมากเมื่อศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติกัน ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีทั้งข้ารว า, าดญาติโยมมีทั้งนักบวชภิกษุภิกษุณีมีทั้งเทวดาเทวดาก็บรรลุทำได้เช่นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดแสดงธรรมอยู่หนึ่งพันษาก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้สมัยพระพุทธกาลนี้มีพระอริยะบุคคลทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชมีทั้งผู้คองเรือนการมีเพศเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับในการบรรลุอริยธรรมขั้นต่าง อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การศึกษาผู้ใดได้ศึกษาผู้ใดได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นจะได้รับผลจากการปฏิบัติจากการศึกษาไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชเสมอไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายเสมอไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่เสมอไปผู้ใดมีความสามารถที่จะศึกษา มีความเข้าใจเรียนรู้ได้และนำเอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้พอบรรลุแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาขอบวชเป็นพระกันเพื่อที่จะได้มาทำหน้าที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะให้กับพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึง่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ สมัยนั้นจึงมีการบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากในระยะหเดือนแรกของการ8ดเดือนหน้าของการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทรงเริ่มประกาศพระธรรมคําสอนในวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาหบูชามาจนถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาฆบูชาก็เป็นระยะเวลา เจ็ดเดือนเดือน8ถึงเดือนสิบสองก็สี่เดือนเดือนสิบสองถึงเดือนสมก็อีกสมเดือนรวมกันเป็นเจ็เดือนระยะเจเดือนที่พระพุทธเจ้ามีการเผยแผ่สั่งสอนนี้มีผู้บรรลุเป็นพระอระหันตสาวกขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งันรห้าิรูป เพราะว่าในวันเพ็ญเดือนสามวันมาคะบูชานี้ปรากฏมีป้าอรหันตสาวกที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าที่ได้แยกย้ายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆไปเผยแผ่รมตามสถานที่ต่างๆได้มีความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาพบกันในวันเพ็ญเดือนสามมีอย่างน้อยหนึ่งมีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปได้กันนี่คือผลของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจากพระพุทธเจ้าจะสามารถบรรลุรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบรรลุถึงพระนิพพานได้ อย่างรวดเร็วนะเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่เผยแพร่สั่งสอนความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งทำให้ผู้ที่ไม่รู้มีโอกาสได้เรียนรู้กันมากขึ้นแทนที่จะรอมาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าคนเดียวก็มีพระอาหารหันต์อีกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่มา สนแทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนสมัยนี้ก็เหมือนการขยายศึกษาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆวิทยาเขตของมหาลัยต่างๆเดิมทีก็มีอยู่ที่เดียวต่อมามีครูมีอาจารย์มากขึ้นก็สามารถที่จะไปตั้งมหาวิทยาลัยในเขตอื่นๆได้เป็น เป็นสาขาของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละคือการเจริญรุ่งเรืองของศาสนาอยู่ที่การเผยแร่คำสอนอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่การอยู่ที่การบรรลุผลของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การไปสร้างวัด ไปสร้างฐาวรวัตถุตามสถานที่ต่างๆที่ไม่สามารถที่จะสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีพระอริยบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้หลุดพ้นได้และเป็นผู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่ไปยาวนานหรือให้ขยายกว้างขวางออกไปอยู่ที่ต้องอยู่ที่การปฏิบัติบูชาอยู่ที่การขยายเนื้อของศาสน า, ศาไม่ใช่อยู่ที่การขยายของเปลือกของศาสนาด้วยการสร้างท้าวและวัตถุต่างๆแต่ไม่มีการปฏิบัติ มีแต่ทาพิธีกรรมต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่หลงทางกันถ้าเรามั่แต่ไปสร้างวัดสร้างอะไรถาวรและวัตถุต่างๆทำทาอามิตซบูชาถึงแม้ว่าจะได้บุญ แต่มันก็เพียงเป็นบุญระดับสวรรค์เท่านั้นเองสวรรค์ชั้นเทพยังไม่สามารถทำให้จิตใจหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติบูบชาเพราะถ้าปฏิบัติแล้วจิตใจของเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้ ไม่ได้ดูดพ้นด้วยอมบิสบูชาไม่ได้ดูดพ้นด้วยการสร้างวัดวาอารามสร้างถาวรวัตถุต่างๆแต่บุดพ้นด้วยการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือนี่คือเรื่องของการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาที่จะนำํำ ผลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ปฏิบัติบูบชานั่นเองดังนั้นเวลาเราทําการบูชาขอให้เราลำเลิกถึงผลที่เราจะพึงได้รับจากการบูชาถ้าเราบูชาด้วยอมวิสสบูชาเราก็จะไปได้แค่ระดับสวรรค์ชั้นเทพแล้วเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาทำอามิสสบูชากันใหม่ทำไม่ว่าจะทำกี่ร้อยรอบกี่หมื่นรอบกี่แสนรอ บ, ก, อบก็ยังจะติดอยู่ในการกลับมาเกิดใหม่อยู่นั่นกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายขอให้เรามองว่าอามิสสบูชานี้เป็นขั้นแรกของการบูชา เพานำไปสู่ขั้นที่สองคือการปฏิบัติบูชาตอนต้นเรายังปฏิบัติบูชาไม่ได้เราก็ทำอมิตรสบูชาไปก่อนสนับสนุนภาษาศาสนาสนับสนุนพูดปฏิบัติบูชาไปก่อนคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายด้วยการเบริจากเข้าของเงินทอง ในการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีอาหารบิณฑบาตมีจีวรเครื่องเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยคือกุฏิมียารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ขอให้นเป็น ปัจจัยสี่ที่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติคือถ้าจะสร้างกุฏิสร้างวัดก็ควรจะไปสร้างที่สงบสงัดวิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ เ, ออเพื่อที่ผู้ปฏิบัติจะได้มีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติน่ถ้าไปสร้างวัดที่มีแต่ทาวาลวัตถุมีโบสมีเจดีย์ มันก็จะกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพราะเวลามีการก่อสร้างมันก็จะมีเสียงระฆักกระทึกคึกโคมมีคนพุกพานมีคนไปคนมาแล้วถ้าสร้างให้สวยงามก็จะกลายเป็นวัดท่องเที่ยวไปกลายเป็นที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ชอบดูสิ่งแปลกๆสวยๆงามๆต่างๆ ก็จะมาลบกวนมาทําลายความสงบของสถานที่ของการปฏิบัติได้นะครันการจะสร้างวัดเพื่อสนับสนุนการสร้างพระอริยบุคคลนี้ต้องสร้างวัดในที่สงบในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงและไม่ให้มีถาวรรวัตถุต่างๆที่ไม่จําเป็นต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติน โบสถ์นี้ความจริงไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรโบสถ์นี้มีไว้ทําพิธีกรรมสําคัญบางอย่างซึ่งปีหนึ่งอาจจะทําครั้งหนึ่งเช่น ง, งานกระถิน่นหรืองานบวชน้าอะไรทํานองนี้การทํากระถินด้วยการบวชน้านี้ไม่จําเป็นจะต้องมีโบสถ์ก็ได้มีศาลาก็สามารถทําได้เหมือนกันวัดปฏิบัติส่วนใหญ่จึงไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ ไม่มีถ่าวรร ว, วัตถุสวยๆงามๆเพื่อดึงดูดจิตใจของคนให้ไปท่องเที่ยวกันจะมีแต่สถานที่สงบสงัดที่จะดึงดูดผู้ที่สนใจในการปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัตินี้จะรู้ความสำคัญของสถานที่สงบว่าสำคัญอย่างไรจะเห็นโทษของสถานที่ที่วุ่นวายว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติอย่างไร เบื้องตอน้นถ้าเราอยากจะสนับสนุนพระศาสนาก็สนับสนุนด้วยอามิสบูชาแต่ให้เป็นอามิตสบูชาที่ส่งเสริมการปฏิบัติบูบชาอย่าไปทำอามิตสบูชาที่มาขัดกับการปฏิบัติบูบชาอย่างสมัยที่หลวงตาท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ในหลวงราชการที่3มีความศรัทธาอยากจะสร้างถวายจิตถวายโบสถ์ให้ที่วัดป่าบ้านตาัดหลวงตาท่านก็ต้องขอปฏิเสธไปบอกว่าที่นี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมาะสมต่อการที่จะมาสร้างโบสถ์เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้โบสถ์และจะมาลบกวนความสงบของสถานที่ และหลังจากมีโบสแล้วก็จะเป็นภาระที่จะต้องคอยมาดูแลรักษาจึงไม่ขอรับการสร้างโบสเพราะที่วัดปฏิบัตินี้เน้นในการสร้างพระสร้างพระอริยะบุคคลขึ้นมาการจะสร้างพระอริยบุคคลนี้ต้องมีสถานที่ที่สงบไม่อึดกกอัดเครือข่ เรื่องของการบูชาเบื้องต้นถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็ขอให้เราสนับสนุนวัดหรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> ถ้ามีกําลังจะช่วยในทางไหนก็ทำไป <c oughs> แล้วการที่เราได้ไปทำบุญกับพระปฏิบัติ เราก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองท่านก็จะแสดงธรรมให้เรามีความรู้มีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะนึงดูดให้เราเน้นมีความอยากที่จะปฏิบัติบูบชาต่อไปพอเราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติบูชา เราก็จะได้เริ่มหัดปฏิบัติบูบชาเมื่อก่อนเพียงแต่ทาบุญรักษาศีลห้าพอได้ยินว่าการปฏิบัติบูชานี่ต้องบูชาด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการหัดเจริญสตินั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาจากการฟังเทศฟังธรรมก็จะทาให้เราเริ่มมีความ สนใจที่อยากจะลองปฏิบัติดูก็อาจจะหาเวลาว่างวันใดวันหนึ่งในแต่ละอาทิตย์คือเช่นวันพระหรือวันหยุดทางานก็อาจจะลองไปอยู่วัดสักวันหนึ่งวัดที่สงบวัดที่มีแต่การปฏิบัติเนี่ยก็ลองไปหัดถือศีลแปดดูลองไปหัดนั่งสมาธิหัดเจริญสติดูแล้วก็ ฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆตามโอกาสตามเวลาสลับกับการปฏิบัตินะก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็จะได้เปลี่ยนจะได้ปฏิบัติให้ถูกได้ต้องมีการศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติ การศึกษากับการปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกออกจากกันความจริงไปพร้อมๆกันเพียงแต่ทำต่างเวลาเวลานี้เช่นตอนนี้มาฟังธรรมกันพอฟังธรรมเสร็จถ้าอยู่ที่ที่นี้มีที่ปฏิบัติอยู่ก็แยกกับพอฟังธรรมเสร็จก็แยกไปสู่ที่ปฏิบัติของตน ปฏิบัติทำใจขั้นต้นทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติควบคุมจิตใจควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดให้ได้เพราะถ้าใจยังคิดอยู่ใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสติมาคอยควบคุมคอยหยุดความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆ การจะมีสติก็ต้องมีอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานมาควบคุมความคิดอีกทีหนึ่งเช่นการใช้พุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งพุทธานุสติลราเลอกถึงพระพุทธคุณมีสองวิธีลราเลอกด้วยการท่องบทพระพุทธคุณคืออิติปิโสภะกวาไปในใจ หรือจ เ, อเราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทธโธก็สามารถใช้เป็นกรรมฐานเพื่อมาสร้างสติให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ธรรมด า, า, า, า, า, า, าถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีการจเจริญสตินี่จิตจะไม่หยุดคิดของมันเองมันจะคิดอยู่เรือเ่อยเปื่อย เรื่องราวนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ยังไม่เจอยังไม่เคยเห็นวันที่จิตหยุดคิดเลยคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเพราะเราไม่เคยฝึกสติกันไม่เคยฝึกไม่เคยเจริญกรรมฐานกันไม่เคยท่องพุทโธพุทโธกันอย่างเป็นกิจลักษณะการปฏิบัติการเจริญพุทโธ ทำให้เกิดมีสติเพื่อลั ง, งับความคิดต่างๆนี้ต้องทําแบบมีกิจจลักษณะคือต้องทําอย่างต่อเนื่องต้องทําอยู่เรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมานี้ก็เริ่มเลยท่องพุทธโธพุทธโธไปเพื่อแข่งกับความคิดต่างๆเพื่อที่จะได้หยุดความคิดต่างๆได้ถ้าไม่พุทธโธจิตก็จะคิดไปตามนิสัยที่เคยคิด เห็นมาพอคิดถึงคนนั้นคิดถึงวันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดต่อไประหว่างที่เตรียมตัวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเราต้องมาหยุดความคิดเหล่านี้นพอลืมตาขึ้นมาพอเราจะไปทําหน้าที่ทําความสะอาดร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ต้องใช้พุทธโธ ค, คอยคอยคอยกํำลาบหรือคอยหยุดความคิดต่างๆ อย่าปล่อยให้คิดถึงจะมีสติได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ก็แสดงว่าเรามีสติแล้วพอเรานั่งสมาธินั่งหลับตาเราก็ใช้สตินี่แหละคือพุทโธนี้คอยควบคุมคอยหยุดความคิดต่อไปถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะหยุดจะนิ่งสงบได้อย่างเต็มที่จิตก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ จิตสงบแล้วก็จะทำให้ได้สัมผัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงด้วยเป็นความสุขที่เราจะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนไม่ว่าเราจะสัมผัสกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสในระดับไหนก็ตามความสุขที่ได้จากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ มันจะสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไมได้ถ้าเราสามารถใช้สติทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจะทำให้เราี้มีกาลังใจมีความยินดีที่จะปฏิบัติมากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปเราก็อาจจะอยากจะ อหยุดทํางานเพิ่มขึ้นหลายวันเพื่อที่จะได้มีเวลาไปปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญเราก็ไม่ต้องไปทํางานทําการไปหาเงินหาทองให้ให้มากอาจจะลดการหาเงินหาทองได้เพราะเราจะไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ เวลาเราอยากจะมีความสุขเราเพียงแต่นั่งหลับตาแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจไม่นานจิตเราก็จะสงะบถ้าเราเคยทำได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะง่ายต่อไปมันก็จะทำได้เรื่อยๆมันก็จะลดภาระของการที่จะต้องไปทำงานหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆได้ต่อไปเราก็อาจจะเลิกทำงานได้ แล้วก็ไปบวชได้ไปอยู่วัดได้ตลอดเวลาเพราะเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้ตลอดเวลานั่นเอง น, นี่คือเรื่องของการปฏิบัติบูบชาที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกินรส ที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันสิ้นสุดมีวันหมดเวลามันสิ้นสุดเวลาหมนหมดความทุกข์ก็จะตามมาแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการปฏิบัติบูบชาจากการทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วไม่มีความทุกข์ตามมาเวลาใจออกจากความสงบความทุกข์ก็ยังไม่มี มีมันก็มีจากสาเหตุอันอื่นก็คือจากความอยากต่างๆที่สมาธิยังไม่สามารถกําจัดได้ต้องอาศัยการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสสนาคือปัญญาต้องมีการศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดความอยากก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้น มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นราบยศเสรเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีการเสื่อมมีการหมดถ้าไปอยากหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องหาความทุกข์ด้วยนั่นเองจะต้องได้ความทุกข์มาด้วยถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการไปหาความสุขในโลกนี้เป็นการไปหาความทุกข์ก็สามารถลังับความอยากต่าง ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้พอใช้ปัญญาระงับความอยากต่างๆได้หมดต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นในใจอีกต่อไปจะอยู่ในสมาธิหรือจะออกจากสมาธิก็จะไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเพราะว่าตัวที่สร้างความทุกข์ใจนี้ได้ ถูกกำจัดด้วยปัญญาหรือวิวปัสสนาญาณแล้วต่อไปใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปเรียกว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถึงพระนิพพานนี่คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบชาจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย จำแล้วํำอีกอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้พวกเราอาจจะรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปก็คือเรายัางต้องกลับมาเกิดกันใหม่ตอนนี้เราต่อไปเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายคือร่างกายของเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงใจดวงวิญ ญ, ญาณที่พอร่างกายตายไป ดวงจิตดวงใจของพวกเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังมีความอยากที่จะกลับมาหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเราจะไม่กลับมาได้ก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติบูบชาได้ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไป พอหมดเสิ็นแล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจก็จะอยู่ที่นิพพานที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือผลของการที่เรามากระทาการบูชาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเราทำบูชาทั้งบิดามารดา บูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เบื้องต้นก็บูชาด้วยอามิสบูชาแล้วต่อไปพอเรารู้วิธีปฏิบัติบูชาทำอย่างไรเราก็ปฏิบัติบูชากันต่อแล้วเราก็จะได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถึงพันธิพานสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกับปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจโต สัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาหราโสยธามมณิโชติวราโสยธาสภิติโยวิวาชนโตสัพพารโขวินัสตุมาเตภาวะตวันตารายุสุขีตีคายุโกภะ อภิวาทนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตรารุธรรมวัานติอายุวันโนสุขังภาลาัต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว หลังจากเลิกแล้วปิดไม้แล้วก็ขอหยุติการถามวันนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่คะวันนี้จาก a c e บ o o k 214ย t u b บ254วิทยุออนไลน์25ผู้รับฟังบนนี้179รวม672ท่านค่ะ ใครอยากจะถามก็ถามได้นะจะส่งไหวไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาคําถามทางบ้านก่อนเดีไม่มีอะเชิญถามได้เนะคําถามจากผู้รับฟังบนนี้นะคะคนที่เขาเปลี่ยนชื่อนำสกุลแล้วจะหนีกฎแห่งกรรมได้หรือเปล่าคะไม่ได้เหรอเพรงั้นเขเปลี่ยนกันแหลกแล้วนะ <laughs> ชื่อมันไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเนะ ชื่ออะไรมันก็ชื่อบุญยังติดคุกได้เลยชื่อดียังติดคุกได้ไม่เช่อพอเปยนชื่อแล้วเขาไม่จับไปติดคุกก็ดีนะคำถามจากคุณจิตสงบคำถามที่หนึ่งจะมีวิธีคิดอย่างไรให้เราสามารถก้าวข้ามความรู้สึกเดิมๆไปได้คะก็คิดใหม่ที่อย่าไปคิดเก่า เอาความคิดใหม่เข้ามาเอาความคิดของพระพุทธเจ้าเข้ามาไปเรียนจากพระพุทธเจ้าให้คิดแบบพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเนีะคิดว่าไอ้นั่นก็ทุกข์อ้นนี้ก็ทุกข์อันนี้เป็นความคิดแบบใหม่ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไอ้นนั้นก็ไม่เที่ยงไอ้นี้ก็ไม่เที่ยงเอให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีความคิดใหม่ๆที่จะพาให้เราไปสู่สิ่งใหม่ๆต่อไปได้ คำถามที่สองนะคะการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวแตกต่างกันยังไงคะแล้วแต่เราจะแปลความหมายสำหรับเรารักรักตัวเองก็คือเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเราเองรักษาตัวเราเองไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้เราต้องพึ่งตนพึ่งตนเองรักษาตนเองร่างกายและจิตใจของเราให้ให้สุขให้สบาย การเห็นแก่ตัวก็คือการทำอะไรที่จาเป็นที่จะต้องทำให้กับผู้อื่นแต่ไม่ยอมทำจะเอาทำแต่สิ่งที่ทำให้กับตัวเองอย่างเดียวอย่างี้ถึงจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเช่นเวลากินก็กินเวลาล้างชามก็ไม่ล้างอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ใส่ตนแต่ สิ่งไหนที่เป็นภาละเป็นหน้าที่โยนให้คนอื่นเรียกว่าเห็นแก่ตัวคำถามจากคุณวิชัยการดื่มโกโก้โกผสมน้ำร้อนไม่ใส่นมหรือไม่ใส่คอฟฟี่เมดจะทานหลังเที่ยงได้ไหมคะในการที่เรารักษาสินแปดเจ้าค่ะได้โกโก้ถือว่าเป็นยาเหมือนกับน้ำชากาแฟใส่น้ำตาลก็ได้ น้ำตาลไม่ห้ามน้ำตาลดื่มหลังเที่ยงได้รับประทานได้แต่พวกเป็นที่เป็นนมนี้ถือว่าเป็นอาหารรับประทานไม่ได้หลังเที่ยงวันไปแล้วคำถามจากคุณ no life on earth What should I contemplate when I come out from a deep meditationIt's up to you what you want to know What you want to relinquish, what you want to let go. If you want to relinquish, let go of your attachment to your body, then you contemplate the impermanent nature of the body. The body is subjected to aging, sickness, and death. The body is not you. The body comes from the four elements: from the earth, water, fire, and wind. And eventually, it will return to the four elements. This is what you can contemplate when you're not meditating, or you can contemplate on all the possession that you have, as your money, your family, your friends. They are all impermanent. They will one day depart from you, whether either when you are alive or when you are dead. Uh, so everything is impermanent. You should not attach to them. You should, you should not cling to them. You should prepare your mind to let go of them when the time comes. What? <laughs> Then? Our Thai language said that after leaving the monastery, what to think about? You can think about many things. แล้วแต่ว่าเรายังติดอยู่ที่ตรงไหนจิตเรายังมีความผูกพันยังมีความทุกข์กับเรื่องใดเราก็พิจารณาเรื่องนั้นเพื่อปล่อยวางพิจารณาให้เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยวไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยึดไปติดเวลาจากเราไปก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางคือ ไม่ยึดไม่ติดอยู่ด้วยกันได้แต่พร้อมที่จะให้จากกันเมื่อถึงเวลาต้องจากกันก็ปล่อยให้มันไปไม่ว่าจะเป็นของภายนอกร่างกายหรือแม้แต่ร่างกายเองก็เป็นเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถ้าไปติดอยู่กับแฟนติดกับคนนั่นคนนี้ติดความสวยงามของเขาก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย ร่างกายนี้ภายใต้ผิวหนังนี้มีแต่ของไม่สวยไม่งามเพียงแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อคือตาร่างกายแต่ถ้าเราใช้ตาปัญญาเราก็จะเห็นนึกภาพได้นึกภาพของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายนึกถึงโครงกระดูกนึกถึงปอดหัวใจตับไตลำไส้อะไรต่างๆ เนึกถึงเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วขึ้นเอืดเนี่ยเน่าเฮงก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายพอาะคลายความหลงรักร่างกายของคนนั้นของคนนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใจเรามีปัญหากับสิ่งใดก็ต้องใช้การพิจารณาตายรักเลยพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเป็นเรื่องของร่างกาย ถ้าเป็นเรื่องของอาหารยังติดอาหารยังชอบกินอาหารอยู่ก็ต้องพิจารณาเวลาที่มันกลายเป็นของปฏิกูลไปเวลามันอยู่ในปากเคี้ยวกับน้ำลายถ้าคลายออกมานี่จะตักกลับเข้าไปในปากได้หรือเปล่าหรือเวลาอาเจียนออกมาจากในท้องหรือเวลาถ่ายออกมาจากทวารหนัก อย่างอยากจะกินอาหารแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันก็เป็นอาหารไม่ใช่เลยพวกนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารในจานที่ทำให้เราน้ำลายไหลนน่แต่พอมันผ่านกระบวนการของร่างกายไปแล้วออกมาก็ไม่น่ารับประทานอันนี้ก็ช่วยลดน้ำหนักได้ไม่ต้องไปเสียเงินไปสมัครฟิตเนสวิ่งให้เหนื่อยยกน้ำหนักให้เหนื่อยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็หิว ก, กินอีก ไม่มีทางเะลดน้ำหนักได้หรอกท่านจะไปทางพิษเนี่ยต้องมาทางเนี่ยทางกรรมฐานทางวิปัสสนาพิจารณาความเป็นปฏิกรูของอาหารสภาพของเวลาที่อาหารมันไปสัมผัสกับร่างกายแล้วออกมามันเป็นยังไงมันก็จะทำให้ไม่ไมหิวเลยอิ่มเลยเห็นแล้วไม่อยากกินหมดแล้วยังมีไหมมีคำถามไหมมีก็ามาแล้วคะ่ะ ค, คำถามจากคุณสุภชัยจํานวนวันในการจัดงานศพมีผลต่อดวงวิญญาณแตกต่างกันอย่างไรครับไม่มีเลยดวงวิญญาณพอตายปั๊บผลสิ่งที่มีผลต่อดวงวิญญาณก็คือบาปบุญที่เราได้ทําไว้ส่วนใครจะจัดงานให้หรือไม่จัดงานให้จะเป็นเป็นงานถวายพระราชทานเพลงศพหรือไม่มีพระเกจิมาสวดให้หรือไม่ไม่มีความสําคัญอะไรเงี้น จะจะสวดหลวงตาบอกต้องสวดเองสวดตอนที่ยังไม่ตายกุศลาให้กับตนเองสวดมนต์ไหว้พระจะได้มีสติมีสมาธิเวลาตายใจจะได้สงบไปสู่สุคติไม่ใช่แับนี้มนต์พระเกจิมาสวดให้สวดไม่ได้ช่วยไม่ได้ต้องสวดเองต้องทําเองเขาต้องบอกว่าเวลาจะเข้าวัดให้เดินเข้าย้า้อย่าให้คนเข้าแบกเข้า เวลาจะสวดมนต์เวลาจะไหว้พระย้ายเขาเอาเอาเอาเอาเชื่อกมามัดมือให้ไหว้เวลาจะสวดมนต์ก็อย่ากไปนิมนต์พระมาสวดให้สวดเองถึงจะได้กุศลได้ประโยชน์เนี่ยถ้ามารอให้คนอื่นก็ทําให้ไม่เกิดประโยชน์ไดทั้งสิ้นนั่นเวลาอยู่รีบทําบุญเยอะๆอย่าทําบาปเพราะไอ้ตัวบุญตัวบาปนี่แหละจะมีผลต่อดวงวิญญาณ แต่ให้งานพระราชทานเพิงเสบหรือไม่จะเก็บไว้เจ็ดวันน้อยวันสิบวันก็ไม่มีผลอะไรต่อดวงวิญญาณดวงวิญญาณมันไปแล้วถูกบุญหรือบาปดึงไปแล้วไปรับผลแล้วคําถามจะคุณบิโรธการปรุงแต่งสังขารเราต้องหยุดหรือไม่ให้มีครับเบื้องต้นเราก็ต้องหยุดมันให้ได้เหมือนขับรถถ้าเราหยุดรถไม่เป็นเดี๋ยวก็ชนกันแหลก งนเบื้องต้นเวลาหัดขับรถเขาจะสอนวิธีหยุดรถก่อนะพอหยุดได้ที่นี้เราก็สามารถที่จะสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได้เหมือนกันจิตเรามันมีความคิดได้ทั้งซ้ายและขวาคิดไปในทางที่ดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักหยุดมันก่อนเพื่อเพราะเวลามันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราจะได้หยุดมันได้และเวลามันคิดไปในทางที่ดีเราก็ปล่อยให้มันคิดไป เห็นเบื้องต้นต้องหัดหยุดคิดก่อเพราะตอนนี้ใจเราคิดหยุดคิดไม่เป็นแเราพอคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ไปสร้างความเสียหายให้กับเราและกับผู้อื่นนะเห็นเราต้องหยุดความคิดให้เป็นก่อนหยุดความคิดเป็นแล้วทีนี้ก็คอยหยุดความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ปล่อยให้ความคิดที่ดีมันไปเพราะความคิดที่ดีมันเป็นประโยชน์กับเราและกับผู้อื่นนั่นเองคําถามจากคุณน้ําพึ่ง คำว่าสังขารบางธรรมหมายความว่าอย่างไรคะอะนะสังขารบางธรรมไม่รู้เหมือนกันนะสังขารมันก็เป็นสังขารมันไมันมันไปนบางธรรมตรงไหนถ้าบังธรรมก็บงังแบบเวลาฟังเทศแล้วนั่งปลุกแต่งเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกสังขารบังธรรมนะเวลานั่งฟังเทศไม่ฟังไม่นั่งคิดถึงกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าคิดถึงคนนั่นคิดถึงวันนี้เนี่ยสังขาร ควคิดปรุงแต่งมันธรรมะที่จะเข้ามาในใจเลยเข้ามาไม่ได้ถูกสังขารบังเอาไว้คำถามเจะคุณกุลาบจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้ความอ่อนแอเข้ามารบกวนถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมแล้วเจ้าคะ่ะก็ต้องฝึกสติให้มากเพราะกําลังของของจิตก็คือสตินี่เองพอจิตเริ่มอ่อนแอก็ต้องรีบบริกรรมพุโทโธเจริญกรรมาฐาน แล้วกําลังก็จะกลับมาคำถามจากผู้รับฟังบนเขานะคะคนที่เขาไปทำสัลกรรมเปลี่ยนหน้ายมพบาลจะจับตัวผิดเขาไม่ได้ <c oughs> ดู <c oughs> เขาไม่ได้ดูที่หน้าไม่ได้ดูที่ร่างกายเขาดูที่จิต โยมประบาลดูที่บุญที่บาปที่อยู่ในจิตเท่านั้นถ้าบุญมากกว่าบาปโยมประบาลก็ปล่อยให้ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญโยมประบาลก็ปล่อยให้ไปทางอบายโยมบาลมันเป็นเหมือนกับคนที่เก็บตั๋วที่โรงภาพยนตร์เนี่ยเวลาคนเข้าไม่นงเขาจะให้ตัว๋วแล้วก็จะดูว่าอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วเขาก็จะพาให้ไปตามชั้นของตั๋วนั้น นกาดูที่บุญที่บาปเขาไม่ได้ดูที่หน้าตาของร่างกายคำถามจากคุณทิ์ลูกพ่อขออธิบายขอพระอาจารย์อธิบายการลดความเครียดจากการทำงานครับก็หยุดทำสิมันเครียดก็ต้องหยุดไง หยุดหรือพักชั่วคราวเหมือนรถเวลาวิ่งแล้วมันมันน้อนจัดนี่เราก็ต้องหยุดแวะที่ปั๊มให้เครื่องเย็นเครื่องมันเย็นลงเติมน้ำน้ามันน้อยไปมันทำให้ระบายความร้อนไม่ทันก็ต้องแวะปั๊มแวะไปพักรถให้ความความร้อนมันลดลงแล้วก็เติมน้ำให้มันเต็ม่อันนี้ก็เหมือนกันพอเครียดเราก็ต้องพัก ไปพุโทโธพุธโทโธทำใจให้สงบให้นิ่งแล้วพอนิ่งแล้วก็มาพิจารณาทางปัญญาวะมันก็แค่งานนะงา น, า น, น ม, มันก็เท่านั้นทำหรือไม่ทำมันก็เท่านั้นตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้ก็ช่างมันอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่เครียดกับงานวังที่มันเผลอมันเลย ม, มันเมาหมัด่ยพอดนงานเข้ามาจี้มันก็เลย เมาไปกับงานไม่มีเวลาที่มาตั้งสติมาตั้งจุดยืนของเราว่าเราอยู่ตรงไหนงานก็เป็นเพียงเครื่องมือในการหาเงินมาเพื่อมาบรรเทาความทุกข์แต่พอถ้างานมันกลายเป็นตัวทําให้เราทุกข์เราก็ต้องหยุดมันแล้วถ้าจําเป็นจะต้องทิ้งก็ต้องทิ้งมันเพราะเราทําเพื่อรับความทุกข์ไม่ใช่ทาเพื่อสร้างความทุกข์นี่ว่า ใช่ไหเมืม่อทำงานแล้วมันทุกข์ทำไปทำไมก็อย่าไปทำมันดีกว่ า, าไปบวชดีกว่าคำถามจากคุณวัสวัตรขอกราบเรียนถามปฏิปทาในการฉันพัฒตาหารที่วัดบ้านตาดมีหลักการอย่างไรครับก็ฉันแบบเงี ย, งยบๆไงคือเวลาฉันนี่ก่อนจะฉันก็พิจารณา ความเป็นปฏิกูนของอาหารแล้วฉันไม่ได้ฉันเพื่อให้เกิดความสุขความอิ่มหนำสำลานใจฉันแบบฉันยาเพื่อบรรเทาความหิวที่เป็นเหมือนโรคภัยไค้เจ็บของร่างกายฉันพอมันหายหิวหายทุกข์แล้วก็หยุดฉันไม่ได้ฉันให้มันอิ่มจนท้องกลางเวลาฉันก็ให้มีสติทุกขณะเวลาขบเคียวไม่ให้ฉันแบบเมามันกับอาหารที่กาลังฉันอยู่ เมื่อ ง, งฉันนี่พอเคี้ยวอะไรกรบๆนี่ลงตาจ้องมองคนอื่นได้ยินเสียงนี่ก โ, โดนแล่วเชียวเดี๋ยวต้องโดนแน่ๆแสดงว่าฉันแบบไม่มีสติถ้าฉันแบบมีสติอะไรมีเสียงนี่หยุดเลยไม่เอาเปลี่ยนฉันอย่างอื่นดีกว่าคือฉันต้องสำรวมก็ต้องมีสติคอยควบคุมกิเลสตันหาความโลภความอยาก อย่าให้มันเกิดขึ้นมาฉันด้วยความสงบไม่ส่งเสียงดังจุจ๊บจิ๊บก็อบแบไม่คุยกันนี่คือการฉันของพระคำถามจากคุณแบงค์อยากจเจริญในธรรมปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องศึกษาธรรมก่อนจะได้รู้วิธีปฏิบัติทนำะรรก็มีสามขั้นศีลสมาธิปัญญาเปรักษาศีลก่อนได้หรือเปล่าศีลหน้าได้หรือยัง เห็นหน้าได้แล้วก็ลองถือศีลแปดดูแล้วก็ไปหัดทำสมาธิสมาธิก็ต้องมีสติมีกรรมฐานเลือกเอาพุทธโธหรือกายกตาสติก็คือดูเป้าการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายผูกใจไว้กับการการทำงานของร่างกายไม่ให้ใจไปที่อื่นอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้เรียกว่าจรรยาสติ พอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วจะใช้พุโทโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ท่านั้นแหละก็จิตก็จะสงบได้ปัญญาก็ต้องหัน ด, ดูทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราสังวันหนึ่งจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เราถือว่าเป็นของเราไปหมดคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติทันทั้งสมขั้นนะ คำถามจากคุณสุภระชัยการพิจารณาโดยอนุโลมและปฏิโลมหมายถึงอย่างไรครับอันนี้ลมก็เดินไปข้างหน้าเเช่นพิจารณาการสาสสองก็เริ่มที่ผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปถึงครบอาการสามสิสองปฏิโลมก็นับถอยหลังพิจารณาถอยหลัง เ, เช่นพอถึงน้ำมูดแล้วก็นับก็พิจารกกับน้ำมูดน้ำอะไรกลับมาย้อนกลับ มันจะได้ต้องเพราะเวลาพิจารณาย้อนกลับนี่มันต้องใช้สติมากเนมันถึงจะทําได้เหมือนเรานับถอยหลังน่ะ น, นับหนึ่งถึงสิบแล้วพอนับสิบกลับมานี่มันมันจะยากกว่านับหนึ่งถึงสิบนับสิบถึงหนึ่งนี่มันต้องใช้ความพยายามมากกว่าใช้สติมากกว่ามันก็จะทําให้เอมีการจดจำเมรัยการอะไร ได้ดีกว่าถ้าเราพิจิตรีกว่าพิจารณาไปทางเดียวะพิจารณาทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมไปข้างหน้าแล้วกลับมาถอยกลับมาจากข้างหน้ามาข้างหลังนจากข้างหลังมาข้างหน้าจากข้างหน้าไปข้างหลังอนุโลมปฏิโลมหมดแล้วแนละโอเคพอสมควรแก่เวลา